วิธีทางที่อัลลอฮ์บอกผ่านท่านนบีเอ า, เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันปมที่สองหลุดตอนอาบน้ําน้ำมา น, นพอละกราบบิสมิลลาอาบน้ําน้ำมา น, นแล้วปมที่สามจะหลุดเนี่ยตอนมายืนเข้าแถวน้ำมานหรือน้ำมานสุนัตสองระกาตปมที่สามถึงจะหลุดออกเห็นไหมยังว่าต้องอาศัยอะไรอาศัยคําสอนของ อัลล์ที่บอกผ่านท่านนาบีนบีก็เอามาสอนแต่คนที่ไม่ได้นมาดอ่ะใช้ตอนถูกใช้ตอนคลุมทั้งวันอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องการจะให้ชีวิตของเรานะ่นไม่มีอิทธิพลของใช้ตอนอยู่ในตัวของเราขอบคุณอัลล์นะที่เราทบทวนกุษาอ่านัมดลินได้ความรู้นะครับเยอะเอาสรุปเรื่อง ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะอาทิตย์ที่แล้วนี่เราเอาอักุรอานอายาที่8ปสบเอ็ดนี่ยมาอาธิบา ย, ยที่โอดิกฆ่าเด็กคนหนึ่งโดยเอาหินเนี่ยโขกศีรษะและเด็กคนนี้เสียชีวิตความต้องการก็คือฟะอรอดนาอายูบัดดีลาฮูมารอบบูฮูมาคอยรอมินกุสากาตันวะอักรอบะ รมาต้องการที่จะให้อัลลอฮ์เนี่ยแต่ประทานลูกลูกคนใหม่แทนลูกคนเก่าประทานลูกคนใหม่แทนลูกคนเก่าพอลูกคนเก่าเนี่ยจะบังคับพ่อแม่ตัวเองให้ทำชีวต่ออัลลอฮ์ให้ทรยศต่ออัลล์ ทีนี้ลูกคนใหม่มาทดแทนลูกคนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอัลลอได้เล่าในลักษณะลูกคนใหม่ที่มาทดแทนก็คือไครอมมินหูดีกว่าลูกคนเก่าไครอนแปลว่าเบตเตอร์แลนดีกว่าลูกคนเก่าซากาตันอ่าตรงนี้สับตรงนี้ดีมากเลย ในความบริสุทธิ์เด็กคนใหม่เนี่ยมีความบริสุทธิ์สักกะแปลว่าบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็วาอักรบารุห์มาแล้วก็มีเมตตาธรรมต้องการจะอธิบายว่าลูกคนใหม่มาทดแทนลูกคนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วนั้นต้องการจะสอนพวกเราวันนี้การเลี้ยงลูกเนี่ยให้มีลักษณะสองสองอย่างนะให้ลูกเราเนี่ย เราต้องอบรมต้องพูดต้องอธิบายให้ลูกเนี่ยมีสองอย่างละหนึ่งให้ลูกเข้าใจศาสนา z a k a มาถึงเข้าใจศาสนาบริสุทธิ์สะอาดคนจะสะอาดได้ต้องเข้าใจศาสนาต้องรู้จักอัลลอฮ์ไม่ทำชีริกไม่ทำบินะไม่ทำของฮารอมทำแต่ของฮารานเรีวยกว่า z a กาแล้ว ข, ข้อที่สองรุหมารุหมาแปลว่า มีหัวใจที่สะอาดเมตตาธรรมก็หมายถึงอัครากที่ดีอเอาละมะก็อธิบายนะหนึ่งลูกที่เข้าใจาศาสนากับลูกที่มีนิสัยดีอัครากดีสองอย่างพอแล้วลูกจะเรียนวิชาสามัญก็เรียนไปแต่ยังไงยังไงลูกต้องมีสองอย่างนิติตตัวหนึ่งเข้าใจาศาสนากับอะไรนะมีมารยาทที่งดงาม เราอาศัยฮะดิษบทไหนอ่ะที่บอกว่าต้องมีตเข้าใจาศาสนาแล้วก็มีมารยาทงดงามฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีสอนว่าตรงนี้คนที่มีลูกผู้หญิงอ่ะถ้าหากมีผู้ชายเนี่ยมาสู่ขอลูกสาวของท่านพ่อเนี่ยพ่อผู้ชายเนี่ยควรจะมองอะไร น บ, บีสอนนะให้มองที่ศาสนากับมองที่มารยาทอิราญอากรุมมันตัดเด้านะบีดีนี่วะคุลูกีใครที่มาสู่ขอลูกสาวของท่านท่านมองสองอย่างพอนี่ยน บ, บีสอนนะอัลลอฮ์บอกนะให้มองแค่สองอย่างพอหนึ่งผู้ชายที่มาขอเนี่ยมีศาสนาไหมเข้าใจศาสนาไหมประการที่สองอัคลากนิสัยดีไหม ถ้าสองอย่างนี้ดีนะฟอรเจ้าวิจูจัดการแต่งงานไปเลยอย่างน บ, บีมันจะพูดว่ารวยรวยจนลอสวยไม่ได้ไม่ได้พูดพูดแบบไงนะเข้าใจศาสนาไหมแล้วก็นิสัยดีไหมถ้าสองถ้าคนนิสัยดีนะไม่ขี้เกียจรกริสกีเดี๋ยวอัลลอ์ให้มาทีหลังแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยที่รวยรวยอยู่ในกรทมเนี่ยนะคนจนทั้งหมด ส่วนใหญ่จนมาก่อนทั้งนั้นจนกันทั้งนั้นยังมีใครรวยเราพ่อแม่ไม่ได้รวยมารวยทีหลังกันที่นั้นขอให้มีอะไรนะเข้าใจาศาสนาถ้าคนเข้าใจาศาสนาเวลามีเงินมีทองนี่ไม่ใช่ใจรุ่ยสุรายไม่กินของฮารอมบุรีก่อนไม่สู้เงินก่อนหรือใช่ไหมบ้าไม่เข้าให้ครับไม่เข้าอทมจนวินาทีนี้เรื่องที่หนึ่งของที่ผ่านมาครับ ตัวลงว่าเลี้ยงลูกนะให้นึกสองอย่างแล้วขอทุอาณาญาอัลลอฮ์ให้ลูกฉันมีเข้าใจศาสนาอัลลอฮุมมาฟักกิฟอูฟิดดินโออัลลอ์ให้ลูกเข้าใจศาสนาประการที่สองให้ลูกมีอัคลากดีมีอัคลากดีเนี่ยมันมันเยอะนะแต่ส่วนหนึ่งในอัคลากที่ดีเขาบอกว่าเมื่อลูกได้ยินเสียงอาจารย์ให้ไปไหนหไปมัสยิดฉันอบรมลูกให้รักมัสยิด ลูกของท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เสียถ้าลูกเข้ามัสยิดนะมาห้าเวลาจะเสียได้ยังไงไม่เสียนะครับที่ไม่เสียก็คือไม่ออกเด็กลูกที่เสียก็คือลูกที่ไม่ได้เข้ามัสยิดนั่นแหละโอกาสที่จะเสียผลเยอะมากนะครับในะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพี่น้องที่เราเรียนกันมาอาทิตย์ที่แล้วนะยัสอาลูนะักกามี คนมาถามท่านนบีสรุปนะคนที่มาถามท่านนบีอยากจะรู้อยากจะทำความดีเลยมาถามท่านนบีถามทั้งหมดนี่กี่เรื่องนะสิบเรื่องด้วยกันขึ้นต้นโดยยัสอาลูนากานยัสอาลูนากันเขาทั้งหลายมาถามท่านเกี่ยวกับ มีอะไรบ้างมีทั้งหมดสิบเรื่องในคัมภีรูโบราณพี่น้องไอ้สิบเรื่องนี่พี่น้องจะต้องเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วดีหมายของท่านเนี่ยจะเข้ ม, มเรื่องที่หนึ่งยัสอาลูนากาอานิลอาฮินละเขาทั้งหลายมาถามท่านนาบีบางคนนี่ถามมาถามนาบีนี่นะเนี่ยมัจะถามเพื่ออยากรู้หรอกถามเพื่ออะไรนะลองภูิอ่า วันนี้ก็เหมือนกันคนที่ถามปัญหาศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่จะถามเพื่ออยากจะรู้ว่านาบีทำยังไงแต่หลายคนนะ่ะถามเพื่อจะลองภูมิตกรู้มันอันหล็มหรือเปล่าเนี่ยคนเนี้ยแกล้งถามไปไหรือถามไม่ทะเลาะ ก, กันกว่าได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้คำถามที่อัลลอฮ์เล่าในการพิมุณอ่านมีทั้งหมด1ิบเรื่องนะขอสรุปนะเรื่องที่หนึ่งถามว่าเดือนข้างขึ้นฤฤฤฤฤ อาฮิละละอาฮิลละเดือนขั้งขึ้นเนี่ยถามว่าเดือนเดือนอัลลอฮ์ให้เดือนมาทําไมคําตอบก็คืออัลลอฮ์ส่งเดือนมาเรียกว่าเดือนจานทางจันทรคติเนี่ยมุสลิมเนี่ยเขาใช้เดือนทางจันทรกตินะแต่พวกตะวันตกเนี่ยใช้อะไรนะสุริยคติแต่ของมุสลิมเนี่ยต้องใช้จันทรกติทั้งหมด ผู้หญิงมีประจําเดือนผู้หญิงยาสามีตายต้องใช้เดือนจันทรคติทั้งหมดจะเข้าบวช ด, ดูเดือนทางจันทรคติจะออกบวชใช้เดือนทางจันทรคติฉะนั้นเราเนี่ยกับธรรมชาติเนี่ยผูกพันกันตลอดเวลาต้องดูเดือนปีกษัตริยกรรมการดูเดือนประกาศการเห็นการดูเดือนออกเดือนออกบวชเข้าบวช อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องที่สองยัสอาลูนกาอันิชาริคารอมมาถามท่านนาบีเกี่ยวกับเดือนต้องห้ามในศาสนาอิสลามเนี่ยเดือนต้องห้าก็าเรียกว่าเดือนคารอมเนี่ยมาคารอมวงนี้ต้องห้ามในมิยุสีเดือนต้องห้ามไม่ให้ทําอะไรไม่ให้ทําสงครามกันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ทําบาป แต่ที่พอมุสลิมเมืองไทยมาอธิบายผิดหมดเลยอธบายง่ายหนึ่งเดือนมูฮัตรอมเดือนต้องห้ามมีอยู่สีเดือนห้ามแต่งงานห้ามปลูกบ้านห้ามปลูกซ้วมห้ามของดีๆทําไม่ได้เลยห้ามหมดนี่พวกเราพอไปเรียนตัฟซีไม่ใช่ตัฟซีอธิบายยังไงนะก็เดือนต้องห้ามเดือนไม่ให้ทําสงครามกัน ไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ทำบาปอย่างนี้เป็นต้นคณะต้องเข้าใจอ๋อเดือนสี่เดือนมสุลกยดานุหิยามฮัรรอมรอจับมีอยูสี่เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องที่สามยัสอาลูในกอรมิลคมริวันไม่เสร็จพวกเขาทั้งหลายมาถามท่านนาบีเกี่ยวกับเรื่องของมืนเมากับการผนัน เอาลอเห็นไหมเรื่องที่ถามถามยเรื่องเรื่องวันนี้คนชอบมากที่สุดใช่ไหมอลคอมรือวไมซิตเนี่ยคนที่ไม่มีศาสนาที่ชอบมากนะหนึ่งอะไรการพนันสองของหมึนเมาค้าคพี่กุ้งอ่านเอาเราตอบชัดเลยนะของหมึนเมากับการพนันเนี่ยนะมีประโยชน์มีประโยชน์มีไหมมีแต่ว่า โทษของมันใหญ่กว่ามากกว่าประโยชน์ของมันโทษของมันใหญ่กว่าประโยชน์โทษเยอะโทษมหาศเนี่ยแนั้นเล่อการบรรนานประโยชน์มีไหมมีกินเหล้าประโยชน์มีไหมมีกินเบียร์ประโยชน์มีไหมมีมีหมดนะแต่ว่าโทษของมันใหญ่กว่านี่ถ้าเข้อใจอิสลามจะทำอยล่ลีเหราผ่านสางงา ม, งามพี่น้องพี่น้องมุสลิมเราวันนี้เร่อกา ร, ร, กากา ร, รบันนานกันเยอะนะ ไม่เบานะเล่นกันเยอะนะเพราะเราไม่เข้าใจอุปมาใจเข้าใจอิสลามปับ๊บแก้ง่ายนะครับอ้าวต่อมาเรื่องที่4ี่ยสะสลูนักอานิลิยะตามาพวกเขามาถามท่านนาบีเกี่ยวกับเรื่องเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเนี่ยก็คือพ่อที่ตายเด็กจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อตายไม่ใช่แม่ตายนะพ่อเสียชีวิต ยังไม่บรรลุนิติภาวะเรียกว่าเด็กกมพร้าถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วเรียกว่าคนเด็กยากจนอเพราะว่าพ่อไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีผมว่านะ้นเลี้ยงเด็กกมพร้านาเลี้ยงให้ดีเถอะอลออเด็กกมพร้าเนี่ยย่งเรียนศาสนาด้วยเนี่ยจะเชื่อพ่อแม่มากกว่าลูกเชื่อพ่อแม่ตัวเอง บางทีลูกตัวเองเน่ยสั่งก็ไม่เคยเชื่อเท่าไห ร, ร่แล้วแต่าเด็กกำพร้าที่เราเอามาเลี้ยงเอามาดูแลเนี่ยจะเชื่อแล้วก็เด็กกำพร้านะที่เรียนจบจบก็เยอะมากวะเนี่ยเด็กกพาพร้าเส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าหนึ่งขาดพ่อคนดูแลไม่มีถ้ามีสังคมมาอุปการะมาดูแลเอาใจใส่อิชชาอัลลอฮ์เด็กเหล่านี้จะเป็นผู้หลังผู้ใหญ่ที่มีอนาคตนะครับต้องดูแลเด็กกำพร้ามีผลบุญเยอะนะพี่น้อง ต่อมาข้อที่ห้ายัสอาลูนะกการเมให้บะเรื่องที่ห้าก็คือเขาถามท่านนาบีเกี่ยวกับเลือดประจำเดือนฤรดูระดูระดูผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยห้ามนาฏห้ามถือสินอดห้ามเข้ามัสยิดแต่ว่าอ่านอ่านูนอ่านประ เ, เพณ น, นอะไรเนี่ยท่องจำบุกอลนี่ได้หมดอธิบายอนุญาตให้ทำได้ แต่ห้ามร่วมหลับนอนกับระหว่างสามีกับภรรยาเท่านั้นดีนะบีที่อัลลอฮ์ห้ามนะที่อิสลามห้ามนะห้ามอยู่เรื่องเดียวไม่ให้ร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาแล้วก็ต้องให้หมดประจําเดือนจริงๆแล้วก็ไปอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดก่อนแล้วก็ให้ความสุขกับสามีภรรยากันใครที่ไปร่วมหลับนอนกับภรรยาขณะที่นางมีประจําเดือนมะเร็งปากมดลูก ะระวังให้ดีเกิดแน่ๆหเห็นไหมมะเร็งปากมดลูกตามมาเต็มเลยวันนี้มะเร็งเต็มเป็นมากที่ส่วผู้หญิงอ่ะเพรา ะ, ะออาจจะฝา่าฝืนคำสั่งของอัลลอสูง น, นี้ก็แหละะเพราะฉะนั้นคนที่พลาดเรื่องนี้ต้องสอกรอน่ะผู้ชายที่ทักพลาดไปบางคนเทนุอิสลามก็เปิดเผยบางคนเซ็กแรงแข็งแรงมีพยาเกินหนึ่งได้สอง ได้สได้ใช่ไหมเวลาปภรรยามีประจาเดือนอ่ะภรรยาคนที่สองมีคนที่3 ม, มีอย่างนี้เป็นต้นเปิดเปิดโอกาสใช่ไหมนะแต่ไม่ได้บังคับให้มีเปิดโอกาสสําหรับครอบครัวที่มีปัญหาเช่นภรรยาป่วยมีภรรยาอีกคนหนึ่งอย่าเป็นเลิกกับภรรยาคนนี้หนึ่งอย่าเป็นเลิกเลิกทำไมอ่ะดูแลก็ต่อไปแต่บุญเลิกบุญ น, นะครับภรรยามีประจาเดือนบางคนแข็งแรงรอ รอรอตั้งห้าวันบางทีรอไม่ไหวผู้ชายบางคนเอาลอให้แข็งแรงอะโริสตรองใช่ไหมภรรยาเพิ่มได้ก็ต้องคุยกับภรรยาคนแรกก่อนนะครับก็คุยกันใครเก่งก็ก็ได้ไปคนไม่เก่งก็ยอมแพ้ไปข้อที่หยัสอาลูนาการิซาสามหมาถึงวันเกียรมาวันเกียรมาเกิดเมื่อไรมีคนถามนาบีเยอะที่สุด น บ, บีตอบว่าไงอลัลลอฮ์ตอบว่าวันซานะอลัลลอฮ์รู้เพียงผู้เดียวคนอื่นไม่ให้รู้อลัลลอฮ์รู้วันเกียรตนอนหลับนี่รู้แค่ตายรู้วันตายนอนหลับไหมรู้วันแต่งงานบอกยิมบอกรู้ว่าผู้ดีจะได้สตางค์จะได้รีสกีเพิ่มอลัลลอฮ์รู้วันลูกจะเพิ่มรีสกีเพิ่มดีใจหมด แต่มารู้ฉันจะตายอ่ะไม่มีแรงยกมือฉะนั้นอย่ารู้ไอ้เรื่องวันเกียมาวันตายอย่ารู้ดีกว่าถ้ารู้แล้วไม่มีความสุขอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องวันเกียมาเป็นหน้าที่ของฉันไม่ให้มีใครรู้นะครับบริกาก็ไม่รู้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลล์ก็ไม่ให้รู้เหมือนกันต่อมาครับยัสอาลูนักกานิอัลอัมฟล อัลฟาเนี่ยอธิบายงานทรัพย์สินที่ริบได้จากสงครามระแบ่งยังไงอะฉะนั้นโอกาสที่มุสลิมแต่วันนี้มุสลิมแพ้ไปก่อนอย่าลืมนะวันนี้มุสลิมอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอยู่ด้วยความระแวงกลัว <c oughs> อยู่ด้วยกัักกลัวกลัวศัตรูจะเล่นงานกลัวอเมริกาจะเล่นงาน พวจีนรวมกันกับหลายประเทศเล่นงานมุสลิมอยู่ด้วยความระวาดร แ, แวงกลัวหมดนะ่ะแต่วันเกียร์มากพอวันเกียร์มากมาปั๊บมุสลิมอยู่แบบสง่างามคนกาเฟตอยู่แบบกลัวกลัวหมดเลยในวันเกียร์มากแต่เริ่มตายแล้วพอตายปั๊บอยู่ในกูโบเนี่ยคนกาเฟตกลัวหมดเลยแต่มุสลิมนอนแบบสง่างามบาร์ฮัมยูลิแลแต่ก่อนตายเนี่ยมุสลิมอยู่ด้วยความระมัดระวังยิง ซาอุดีอารอ์อาดับดานนี้กลัวยิวมันจะถลม่มนะวันนี้นะกลัวกันหมดอันนี้เป็นต้นนะต่อมาครับยัสอาลูนกักอันนี้รู้รู้ว่าแปลว่าวิญญาณวิญญาณที่ออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนวิญญาณอยู่ยังไงไปเก็บที่ไหนอลัลลอ์เรื่องวิญญาณเนี่ยเรียนกันเยอะแต่ของเก่หมดเลยฉะนั้นอลัลลอ์ไม่ให้รู้ แต่พวกเราก็เก่งนะขนาดย่อตายยังส่งวิญญาณทยอ่อเองชั้นหนึ่งจริงๆมุสลิมเรานี่แหละนระฉะนั้นเรื่องวิญญาณมาเรื่องของใครนะอันนี้รู้ขมินอัมริรอ บ, บีเรื่องของประผู้อภิบาลของฉันอัลลอรู้แต่เพียงผูดเดียวฉะนั้นเรามีหน้าที่ดูแลรักษาร้วห์จิตวิญญาณเราให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าทำชิริกต่ออัลลออลัฮวะซัลลัลลอฮิก นำมาให้ครบนับงรัการรักษารู้วของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อ่านพวนอ่านวิครุนโ ล, ลมีดูอาอยู่บทหนึ่ง น, นะ س ุบ ا านัลลอฮอะไรให้อ่านให้อ่า น, นบทนี้นะดีกว่านั่งสุารรลนลรบเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองสามชั่วโมงผมลืมไปแล้วเมือตอนสุโบที่จะนั่งหาทีา่บ้านเลยลืมดีมากเลยนะ อ่านบทนี <m arc ana> ้บทเดียวดีกว่านั่งอ่านสามสี่ชั่วโมงนะครับอะไรุบฮานะุบฮานลลอฮฺวบรหัมิฮิอดดะัลริดนบซิฮิวะซินะตะอ์ซิฮิวมดะกะลิมติฮิแค่นี้แหละหลังละมาสุบฮ์จบก่อนที่จะออกจากมัสยิด ใช่ไหมว่าสามครั้ง سبحان อัลลอฮฺว่าบีฮัมดีอาดาดาคอลกีฮีวาริลอนอฟซีฮีวารีนาตอารชีฮีวามิดาดาคาลิมาตีฮีว่าแค่นี้สามเที่ยวดีกว่านั่งสามสี่ชั่วโมงสุภาพนบอทำดิละอัลลอฮฺองคบัลสุภาพนบอทำดิละอัลลอฮฺนี่ใช่ไหม เดี๋ยวจะให้ให้ให้ดูอาวันหลังให้ดูอานะครับเอาต่อมาครับยัสอาลูนักกอันซิลกอไนนซิลกอไนนก็เราเรียนแล้วเป็นกลุ่มชนเป็นเป็นกษัตริย์ที่ดีคนหนึ่งอ่ะนะที่เดินทางไปทางทิศไหนอะ่ะทิศตะวันตกแล้วก็มาทิศตะวันออกเดี๋ยววันนี้จะเรียนต่ออีกนะครับต่อมาข้อที่10ยัสอาลูนักกอันอิลจิบาลถามเรื่องภูเขา คำตอบในกุรานก็คือยันซีฟูฮารอบบีนัสฟาอัลลอฮ์เล่าเองนะภูเขาที่ท่านเห็นว่าแข็งแรงใหญ่โตบะฮูมาเนี่ยเช่นภูเขาอีเวเสของอินเดียเห็หมที่อยู่ในนปานเนี่ยนะเราว่าใหญ่ที่สุดแล้วนะนั้นแหละวันเกียร์มานี่นะยันซีฟูฮามันจะแตกออกเป็นผุยผงหมดเลยขนาดภูเขาละเอียดละบ้านเราจะเหลือหรือและเราจะเหลือ <laughs> แทนดินใบนี้จะเหลือหมดฉะนั้นภูเขาละเอียดเป็นผุยผงและวพวกเราจะเหลือลบ้านแ ล, ละมัสยิดแล้วลจบหมดท่า น, นคือภูเขาที่คนมาถามท่านนาบีอลัลลอฮฺบอกให้ยิบรินมาบอกนบีนบีก็ตอบบรรดาคนที่มาถามนาบีสิบเรื่องไปน่องแล้วก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องนึกอัลลอฮฺสิบเรื่องมันใหญ่หมดเลยนะเรื่องภูเขาเนี่ยก็ใหญ่เรืงเฮตประจรําเดือนนี่ก็ใหญ่ เรื่องการพนันดอกเบี้ยพวกนี้ All oh! เอาล่ะว่าเราต้องเข้าใจแล้วออกห่างสิ่งเหล่านี้ระวังตัวให้ดีเพราะเป็นสัญญาณวันเกียร์มากด้วยนะครับเอาวันนี้มาอายะที่48อินมามักกนน่าเลหูฟิลอาบดีว่าเตยน่าหูมินคุลลิชัยอินซาบบะบะ สีแปบิอนนามักกนาลูฟิลอรแท้จริงเราอินนาแปลว่าแท้จริงเราคืออัลลอฮ์เนี่ยนะมักกันนาลาูได้ตั้งหลักแหลง่งไปตั้งตักหลักแหล่งใครนะรุ่ก้อนในได้ให้รุ่ก้อนนนี่นะ่ะตั้งหลักแหล่งอยู่บนแผ่นดินนี่นี่เราเนี่นะที่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้นะ มาอยู่ในเพจประเวศบางคนอยู่ในซอยอนุทบางคนอยู่ที่ศาสนูบางคนอยู่ที่ไห น, น, นก็ตามแต่นี่ใครให้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เลยต้องนึกนะมักกันนาะอัลลอฮ์ให้เขาได้ตั้งหลักแหล่งอยู่มีสถานที่อยู่แล้วก็มี address, แอัเดรสก็มีบ้านมีที่ดินห้ามเดือดริ่ดละอัลลอฮ์ให้เนี่อัลลอฮ์เล่าจนก็รุ่ ก, ก, ก็นายว่าชันนี่นะ ตั้งหลักแหล่งให้รุ่นก็อนนยนั่นอยู่บนแผ่นดินนี้แล้วต่อมาครับวา่าใตนาหูและเราได้คาว่าตั้งหลักแหล่งที่หมายถึงให้มีอำนาจปกครองอ่ให้มีอำนาจปกครองแผ่นดินนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยให้ปกครองอยู่กี่ปีนะั่งสี่สิบปีเป็นกษัตริย์ที่ดีคนหนึ่ง กษัตริย์ทั้งหมดที่ใหญ่ๆนะที่เป็นมุสลิมน่กี่คนสองคนยุลกอนนายกับใครนะนบีสุไลมานอ่าสุไลมานนะแล้วก็เป็นมุสลิมสองคนนะแล้วก็เป็นคนกาเฟสกี่คนสองเหมือนกันนุ่มรูดกับใครนะนสัสริบัต์อ่านะครับนสัสริบัคต์นะครับ หนึ่งไลมานบินดาวูดสองุลกัดนายสามนุมรูดสี่บักตินนัสรนะครับสองคนนี้เป็นคนเร็วนะความจริงฟารโรห์เนี่ยไม่ได้ม่ได้พูดนะแสดงว่าสองคนใหญ่ใหญ่หนักกว่าฟาโรห์เร็เวกว่าฟารโรห์เอาฟารโหาฟารโห์เล่ารักษาไว้ให้เห็นนะเือความชั่วของเขานะครับจากทีนี้แท้จริงเราได้ ตั้งหลักแหล่งเขาซุลกรอนไหนให้มีอำนาจปกครองหน้าแผ่นดินว่าตจน้าและเราได้ประทานให้แก่เขาซึ่งอะไรมิงกุลิชายินทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มาของทรัพยากรที่มาของทรัพยากรให้เขาได้สแสวงหาทรัพยากรแบบง่ายๆ เอาล็ให้ไปน้องเอารอว่าเราเองก็เหมือนกันต้องนึกอย่างนี้เาให้อ่ะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งมีที่ดินอยู่สี่สิบตารางวาหรือ ง, งานหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์มีรถคันหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์มีภรรยาคนหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์มีลูกแปดคนอัลฮัมดุลิลลาห์ดีหมดได้มีโอกาสมามัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์าตัดมาแล้วนะยัง ขับรถได้ลำจนได้อย่าคบุญฉลิมดีหมดพี่น้องฉนันนัรุลก่อนนายอลัลลอ์เล่านะฉันให้อำนาจกระโปรงแผ่นดินและฉันให้เขาเนี่ยนะที่มาของทรัพยากรเนี่ยทั้งหมดสรุปได้มีอยู่ห้ารายการตักตับ๊บซีกูอ่านนะอธิบายห้ารายการมีอะไรบ้างที่อลัลลอฮ์ให้กับเนี่ยให้กับรุลกรณ์นายหนึ่งอะไรนะให้มีความรู้ อ่าหนึ่งให้มีอำนาจก่อนให้มีอำนาจสองมีกองทหารสามมีอาวุธสงครามแทนยางวันนี้คนที่มีอาวุธสงครามานนดีๆนั้นคุมหมดอเมริกาคุมหมดวันนี้เอว่าก็ทดสอบเหมือนกันนะหนึ่งให้อำนาจสองกองทหารสามอาวุธสงคราม 4. ี่ปิดล้อมได้วันนี้วันนี้จบเลยไหมคุกรุเทพยึดยึดหมดแล้วใช่ไหม ปิดล้อมปิดล้อมปิดล้อมสมัยกองก็ปิดล้อมมีไหมนี่ให้รุ่นรุ่นรุ่นรุ่นก้อนนนะั่นเนี่ยปิดล้อมหมดเลยชนะหมดข้อที่ห้าให้ความรู้อัลลอฮฺหุอาตุลลอฮฺทำโดุเิียนแล้วไปนอนนี่ไงอัลลอฮฺเล่าให้ฟังแค่นั้นคนที่มีรีสกีดีๆเนี่ยต้องนึกถึง Allah อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละทำไมอัลลอฮฺเล่าเรื่องอย่างนี้ให้พวกเราฟัง เพื่อองการจะให้เราได้นึกถึงเนี่ยอัมัดของอัลลอฮ์ที่เราประทานให้ทีนี้มีอลมุลามะอยู่ท่านหนึ่งจากตับซีภาษาอุรดูเนี่ยนะก็บอกว่าสิ่งที่มุสลิมนะผู้ตัวมุสลิมอย่างเดียวมุสลิมจะเจริญได้นะมุสลิมจะต้องสแสวงหาสามรายการหนึ่งความรู้ด้านศาสนาแล้วก็ความรู้ร่วมร่วมสมัย เอาละทำแต่เราไศึกษาดูกันทุกคนนะ่นะทุกหมู่บ้านมีโรงเรียนนะครับส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือเรื่องที่สองแสวงหาฤสกีให้มีแบบไม่องเยอะรักแบบพอเพียงนี่นบีพูดนะครับว่าพอเพียงเนี่ยนบีพูดนะหนึ่งพันสรอปีนะเรื่องที่สามนะอย่าแตกแยกกันเท่านั้นแหละแต่วันนี้ในข้อที่สามนี่มารุ่นทำไม่ได้ ความรู้หาได้ไหมได้ริสกีหาไหมหาแต่ข้อที่สามนี่แหละอย่าแตกแยกกันที่อัลลอ์พูดใาการพีุ่รานนะฉะนั้นถ้ามุสลิมวันนี้ต้องการจะมีความเข้มข้น mm. เข้มแข็งบนโลกดุนยานี้และเป็นบุคคลตัวอย่างให้กันโลกทั้งหมดนี่นะอย่าทะเลาะกันอยู่เป็นอะไรนอะไรนะอยู่เป็นจามะรวมกันให้เข้มแข็งนะอิจฉาปะเข้มแข็งสามรายการอย่าอุลมามนะน่ะ เรามากุยทีิบา่ายวันนี้กันตัวมาครับ อ, อ, บอย่าที่8ปฟ้าอัศบะศาบาบาดังนั้นอัศบะศาบาบาเขาจึงตามหรือมุ่งไปทางหนึ่งคือเดินทางไปทางทิศตะวันตกนี่รุลกรนก็ไนนี่นะเดินทางสู่ทางทิศตะวันตกความเข้มคือที่ไปนี่นะ รบไปอะไรไปชนะสงครามหมดแห่นะนะอัลลอฮฺไม่ได้พูดในรายละเอียดเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆเพราะมีคนมาถามว่ายุนกอนนน์น่ะคือใครอัลลอฮก็บอกให้มฮัมหมัดเดีมัดอธิบายยุนก้อนไนคือเป็นกษัตริย์ที่ดีคนหนึ่งกษัตริย์ตัวนี้เดินทางไปจากทิศตะวันตกไปพิชิตเมืองต่างๆิชิตพิชิตพิชิตพิชิตพิชิตพิชิตพิชิตพิชิตแล้วก็ จนกระทั่งเดินทางไปถึงไหนฮัตตาอีราบาลมากรีบาชัมซีจนกระทั่งเมื่อเขาเดินทางไปพบดินแดนหรือแผ่นดินที่มากริบาชัมซีที่ตะวันตกคือสุดแดนตะวันตกไปแล้วไปเจอตะวันนี่มันตกลงมา ว่าจะด้หาตักรูบฟีไอนินฮามิอาเขาพบว่ามันตกอยู่ในน่านน้ำที่คุนฮามิอาเนี่แปลว่าคุนหรือว่าทะเลดําอ่าโอ้เหมือนเหมือนกับตะวันเนี่ยมันตกอยู่ที่ไหนนะอยู่ในน้ําความจริงนะ่ะตะวันน่ะไม่ได้ตกอยู่ในน้าําหรอกใช่ไหม มันกระวโกรู้วิทยาศาสตร์อธิบายให้เราฟังใช่ไหมลูกมันหมุนโคจรเนี่อะไรๆใช่ไหมนะ่ะแต่เวลามองด้วยสายตาปีความรู้สึกว่ามนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับบทนี้อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะคนทุกคนเวลามองตะวันตกเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ริมทะเลเหมือนกับตะวันตกอยู่ไหนทะเลอ่าเป็นอย่างนี้เลยความรู้สึกของคนนี่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานะ แค่นั้นจุลก่นในเนี่ยเดินไปเนี่ยพิชิตเมืองไปสงครามไปอะไรไปชนะหมดนะี่น้องจนกระทั่งไปถึงน่านน้ำที่ตะวันตกอยู่บนทะเลดำนะครับวาวาจาดาอินดาเก้ามันและพบชนหมูหนึ่งวาจาดาแปลว่าพบเก้ามันแปลว่าชนหมูหนึ่งณนะที่นั่น พอพบประชาชนพบคนเรากล่าวอุลนานะอัลลอฮ์เล่าเองนะเรากล่าวถ้าว่รารุลกอรไนเนี่ยเป็นนบีหรือเปล่าไม่ได้เป็นนบีเห็นไหมแต่ที่มีอุลมามะอธิบายว่าคนที่เป็นนบีเนี่ยอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์จะกล่าวกับนบีอัลลอฮ์จะให้ยิบรีเนี่ยลงมาบอกเข า, าเรียกว่าฮีใช่ไหมอ่าเรียกว่าฮี ใครที่เป็นนบีอัลลอฮ์จะให้ยิบรีเนี่ยลงมาดนใจเขาเรียกว่าวาฮีใครที่ไม่ใช่เป็นนบีเป็นคนธรรมดาเขาเรียกว่าอิลฮามดนใจเหมือนกันอ่าจากนั้นอัลลอฮ์เนี่ยดนใจทุกคนนะอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยนะแม้แต่พึ่งอัลลอฮ์ก็ดนใจพึ่งให้ทํารังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บอกเราพึ่งไม่เคยทรยศต่อคำสั่งอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ดนใจให้พึ่งนะครับแล้วก็ดนใจวันนบีโดยผ่านวาฮีถ้าไม่ใช่นบีเรียกว่าอะไรนะอิล ham ฉะนั้นอัลลอฮ์อิล ham ให้หัวใจของใครนะของกษั k k at, ตริย์รุ่ก่อนในอัลลอฮ์บอกว่าไงครับยะลกอรไนน์แปลว่าโอ้รุลก่อนในเอ๋ยนะ เมื่อไปพบคนกลุ่มหนึ่งอิมานตัวซีบคุณเนี่ยจะลงโทษพวกเขาก็ได้จะฆ่าพวกเขาก็ได้ทำไมฆ่าละ่ะเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนปฏิเสธไปพบคนหมู่หนึ่งคนหมู่นี้เนี่ยไม่เอาศาสนาเป็นคนกาเฟรเป็นประเทศที่แอนตี้ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอ์ไม่รู้จัก น บ, ไนบไนีไม่รู้นะนบีองค์ไหนก็ไม่รู้นะนะครับไม่รู้จักไม่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็โดนใจรุ่นก้อนไหบอกว่าท่านเลือกเอานะจะจัดการทำลายประชาชนกลุ่มนี้ก็ได้ฆ่าให้ตายก็ได้หรือไม่ฆ่าก็ได้ให้เลือกวิธีดะว์ออิสลามเชิญชวนให้รู้จักอิสลามซะไปพบคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้นะ่ะปฏิเสธอัลล์ ฉะนั้ น, อ, นอัลลอฮ์ให้อำนาจให้อำนาจผุลกครองในเนี่ยเลือกเอาคุณจะเข็นฆ่าเขาก็ได้หรือไม่ก็ทําอะไรนะเชิญชวนใช้วิธีการที่นิ่มนวลเรียกร้องเชิญชวนเขาให้รู้จักอัลลอฮ์แล้กลับให้รู้จักศาสนาอเมริกาเวลามันไปยึดประเทศหนึ่งประเทศใดมันใช้วิธีไหนฆ่าใช่หรือไม่ใช่ฆ่าซอ ด, ดามุเซน ข่าคนดีๆหมดแต่คนดีๆเนี่ยเวลาเข้าไปยึดประเทศใดก็ตามเนี่ยถ้าคนที่มีมีอรรถนะเขาจะเลือกวิธีการที่นิ่มนวลทำอะไรส่งอุลามะไปสอนอิสลามเนี่ยวิธีการมันมีเรียกต้องการจะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อเราเมื่อรุลกฎนานไนเนี่ยไปถึงประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ย ไปพบประชาชนในเมืองนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกทำโดยสองอย่างทำลายก็ได้หรือไม่ก็เชิญชวนให้รู้จักอิสลามแต่กษัตริย์ทั้งหมดที่เป็นมุสลิมเนี่ยวเวลาไปอยู่ในประเทศใดก็ตามเขาจะทำไงเชิญชวนคนให้รู้จักอิสลามเพราะเขาหวังผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮสุบฮานาห์าวะตาลาฉะนั้นอำนาจอานาจกับศาสนาต้องอยู่คู่กัน อำนาจกับศาสนาต้องอยู่คู่กันอ้าวยกตัวอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะกษัตริย์ซาอดอิบนุซาอุดกับมหฮัมมัดบินอับดุลวาฮบสองคนเนี่ยรวมกันเผยแผ่สุนนะปราบชิริกทิมักกานะ กูโบกูโบโมากอมมากอมมากอมเต็มไปหมดในซาอุดีอ่มีอยู่เมืองนึงอ่ะมิจทำมากอมมากรมมากร ม, ม, ม, ม, ม, ม, มกูโบโ ค, น ค, นคนตายคนตายคนตายหมดเลยมุฮัมมัดบินอัมบุลวะฮับถูกตอนท้ายว่าวะฮบีอ่ะอ่ามุฮัมมัดบินอัมบุลวะฮับนี่ร่วมกับใครนะร่วมกับกษัตริย์อ่าอิบนุซาอุดสองคนนี้นะเป็นพี่เป็นน้องกันปราบชีริกอุลมามะสั่งกษัตริย์ ลงมาช่วยส่งทหารไปปราบง่ายมักง่ายแล้ววันนี้ไหนะคนที่ถูกปราบเนี่ยมันยังเสียใจยอยู่เลยกูโบฉันถูกทำลายทะไมถ้าจะรักษากูโบไว้มันได้เงินได้ทองแบบโตเกียรใช่ไหมรายได้มันมีมันเสียประโยชน์ก็เลยถูกปราหน้าว่าวาฮาบีแล้ววาฮาบนะีใครเป็นคนตั้งนะคนอังกฤษนะคนอังกฤษมายึดอินเดียได้ ก็ไปเที่ยวซาอุดีนะ่ะเห็นซาอุดีนะ้นปกครองกันแบบนี้กลัวว่าคําสอนอิทธิพลเนี่ยมันจะมาประเทศอินเดียมันก็มาจริงๆอ่ะสุนนะเน่ยเกิดขึ้นในอินเดียนี่เยอะสุนนะเกิดขึ้นในโลกนี่เต็มไปหมดเนะี่ยเพราะอิทธิพลของมุฮัมมัดบิบอัมบุลวะฮับกับใครนะอิบนุสาอุษมสองท่านเนี่ยปราบชีริกฉะนั้นศาสนาถ้าปราบชีริกได้บ้านนั้นจเจริญอัลลอฮ์ให้บกักระดับนะครับ กับบ้านที่ไม่มีชิริกต่ออัลลอฮสุภาณอโวตัาดาอันนี้เล่าให้ฟังนิดเดียวนะครับตกลงว่ายุลกอนไนเนี่ยไปถึงเมืองเมืองหนึ่งไปพบอะไรไปพบคนกลุ่มหนึ่งไม่เอ า, าศาสนาอัลลอ์ให้เลือกเอาท่านจะเผยแพ่าศาสนาให้เขาเชิญชวนเขาให้รู้จักอัลลอ์หรือไม่ก็เล่นงานเขาแต่ยุกนกอนไนเนี่ยเลือกแบบไหนพี่น้องเลือกแบบอะไรนะ เลือกแบบสอนศาสน า, าใช้ความดีใช้ความนิ่มนวลอัลลอฮสอนอย่างนี้อิมมาอันตุอัลดบวะว่าอิมมาอันตัตตะฮิดาฟีฮิมฮุสนาตัตตะฮิดาฟีฮิมฮุสนาแปลว่าทำดีนะครับทำดีกับพวกเขาอัลลอฮอัลลอฮพูดภาษาดีนะไป ไปสอนศาสนาเรียกว่าไปทําความดีอัลลอฮ์สอนศาสนาให้คนเรียกว่าทําความดีถ้าไม่สอนศาสนาไปด่าเขาไปตีเขาไปตบเขาเรียกว่าตัวอัลยิบไปลงโทษเขาแค่นั้นรุ่นก่อนในเนี่ยอัลลอฮ์ให้เลือกสองอย่างจะเผยแผ่ศาสนาให้เขาหรือจะไปเล่นงานเขาเอาต่อมามาดู จุลกอนไหทำไงครับพี่น้องก็ลอาห ม, มาเองก็ะฟซานุ ع ز ب, ع ب ุก่อ น, นเลือกแบบไหนเลือก เผยแผ่ศาสนาเลือกทำความดีฉะนั้นเราพู ด, ดเต็มปากเลยการเผยแผ่ศาสนาให้คนรู้จักอัลลอฮ์เป็นการเลือกทำความดีที่ดีที่สุดพู ด, ดเต็มปากไหมเต็มปากเลยเพราะกูอานอาย่นี่อยาที่ 86, นี่อายาที่หเนี่ยอันนี้ท่านจุลกนายว่าไงครับอามามันซอลาห์ เขารุลกอรนนี่กล่าวว่าผู้ใดส่วนผู้ใดที่อธรรมรอลมา่าแปลว่าอธรรมอธรรมนี่อธิบายอย่างนี้สอนสาศาสนาแล้วให้ความรู้แล้วสอนเรื่องชีริกแล้วสอนเรื่องสุนนนบีแล้วแต่ใครผู้ใดที่ไม่เอาปฏิเสธสอนแล้วไม่เอาไม่ถูกใจเลย ศาสนาไม่เข้าท่าเลยอ่าฉะนั้นหลังจากสอนแล้วนะสอนแล้วสอนแล้วสอนแล้วไม่เอาศาสนาอาลัลลอ์เล่าเองรุ่นกรอนในนะ่ะพูดว่าไงนะอัมมามัลลอหส่วนผู้ใดที่อาธรรมปฏิเสธไม่รับศาสนานะครับหลังจากสอนแล้วนะฟาヌฟาซอูฟาヌอาซิบูดังนั้นเราจะลงโทษเขาอ่าเห็นยัง คนจะต้องถูกลงโทษเนี่ยหลังจากอะไรนะหลังจากสอนแลอบรมแลเตือนแลลงโทษได้ไหมได้เล่นงานได้ไหมได้ฟาเาฟฟันวาซิบุฮูบนดุนยานี้เราจะเล่นงานเขาเราจะลงโทษเขาแล้วต่อมาครับซุมมายูรอดดูแล้วพระองค์ก็จะ ไม่ใช่แล้วเขาก็จะถูกนำกลับ ร, ด, รดดารุษดุบนดุนยานี้ไม่เอ า, าศาสนาพอตายไปเขาก็จะถูกนำกลับไปหาใครพระผู้อาภิบาลของเขาตอนตายเป็นไงฝ่ายวะดีบูหูแล้วพระองค์ก็จะทรงลงโทษเขาอีกอ้าวนี่ได้ความรู้เต็มเลยใช่ไหมยอยู่บนดุนยานี่ไม่เอ า, าศาสนา ชาวบ้านก็เล่นงานก็ด่าอยู่แล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเรื่องจริงเอาคนไม่เอาศาสนาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแค่เดินผ่านเนี่ยเราเสียวเว้ยมันรักไก่หรือเปล่าแล้วก็ด่าแล้วคำว่าอย่าไปคบคนนี้นะรักก็สั่งลูกสั่งหลานก็คนเลวอ่ะสอนศาสนาแล้วมันไม่เอาชาวบ้านก็ด่าอยู่แล้วตำรวจก็ไล่จับอยู่แล้วติดคุกติดตารางนี่ถูกถูกลงโทษบนดุลยา พอตายในคุรานเราเองนะซุมมาอยารูดยู่รถดูอิลารอบบีเสร็จแล้วพระองค์ก็จะทงลงโทษเขาเมื่อเขากลับไปหาอัลลอฮ์หมายถึงตายพอตายแล้วเป็นไงก็ไฟอยูอัรซีบูฮูและพระองค์ก็จะทงเล่นงานเขาตัลงว่าคนตายถูกเล่นงานหมดถ้าหากคนตายคนนั้นไม่มีาศาสนา เล่นงานแบบไหนครับอาญาบันุครอเป็นการลงโทษอนร้รายแรงนุครอแปลว่าชา ด, ดีแต่ว่าร้ายแรงอายาณ์นี้ได้ความรู้เยอะนะหนึ่งให้ความรู้กับประชาชนเป็นเรื่องอะไรนะอามันติสอนแล้วเป็นโฆษณาเป็นงานที่ดีใช้ความนิ่มนวลสอนคนเนี่ยใช้ความนิ่มนวลตลอดอัล๋อสิฟัตของครูเนี่ยนะ ก็คืออัลลอห์มาลอัลเลมันกุรานอัลลอฮ์มาลแปลว่าอลัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอัลเลมันคุรา น, อ, นรอัลลอฮ์ร้งสอนคุรา น, น, รานต้องการจะอธิบายว่าคนที่สอนคุรานหรือสอนศาสนาต้องมีอัครากที่ร่ำมานใจอะไรเมตตาพ่อต้องพ่อจะสอนลูกอ่ะต้องเมตตาต้องพูดจาดีๆพูดเพราะเพราะอัลลอฮ์ ด้จกากุรอานทั้งหมดเลยนี่น ะ, ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เอาศาสนาเขาจะต้องถูกเล่นงานบนดุนยาเมื่อเวลาเข้ากลับไปหาอ AH, ัลลอฮ์เขาจะถูกเล่นงานหนักกว่าอยู่บนดุนยานี่เองฉะนั้นเราต้องนึกถึงศาสนาเยอะๆนะพี่น้องอทีนี้เขาบอกว่ายุลามาเนี่ยแปลว่าอะไรครับอิบนะอับบาส คนในสมัยนบยีอธิบายเองณยอร์ลามาแปลว่าอธรรมเนี่ยอธิบายอย่างงี้กาฟารอ์อ่าเทีว่าคนนี้ทรยศคำว่ายอร์ลามาเนี่ยแปลว่ากาฟาร์หรืออีกคำหนึ่งอิบ น, นอับบัสอธิบายอัลรุลมูอัลอาลีบอัลลาดีฮูบะเชตการยอร์เลมที่เร็วที่สุดก็คือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์บาปใหญ่ที่สุดเลยไปหาต้นตะเกียบนี่บาปใหญ่มากเลยนะ ไปหาโตะระยองนี่บาปใหญ่มากเลยไปหาโตลงนาอยู่ แ, แถวสะพานสูงในมีเนะ่อาจารย์ญาตเนี่ยชีย้ผมนี่ น, น, น, นกูโบโ ต, โตโนาอยู่ตรงนี้ น, ะนี่แหละเวลาคนสมัยก่อนเวลาจะอะไรนะเวลาอากาศอากาศมาอย่างงี้ออเนี่ยจะมีเป็นอย่างงี้คนนี้เขาเก่งนะแต่พอตายแล้วคนไปกราบเนอะความจริงไม่ต้องไปกราบก็ขอรุปอาธิบากก็ได้ก็ต้องไปไปกูโบทำไมใช่ไหม ่อไปคุโบก็กลายเป็นชิริกต่อ Allah ح ح อัลลอฮ์สุภาณอูบานแล้วทีนี้คนจอเลมเนี่ยนะอัลลอฮ์เล่นงานตลอดนะอิสตามารรออาลัยคุฟริฮีวะชิร์กีฮิบิรับบิฮิคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์นะเขาจะถูกเล่นงานต่อ Allah. อัลลอฮ์บ่อยๆส่งมาเล่นงานส่งมาเล่นงานแบบฟาโร่ก่อนที่อัลลอฮ์จะเล่นงานฟารโร่เนี่ยอัลลอฮ์เมตาก่อนใช่ไหม ส่งใครมาส่งนบีมูซามาเห็น ไ, ไหมมาแบบคุสนาใช่ไหมมาแบบดีๆมาสอนฟาโร่เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเอา้าก่อนที่จะเล่นงานก็ส่งอะไรมาส่งมาแรงมามแรงมาเต็มบ้านเลยเอา้าพอมาแรงหมดให้เลือดให้น้ําเป็นเลือดหมดสมัยฟาโร่เนาะแล้วก็ให้ดิฟดาเขียด ตักน้ำเจอเขียดเจอน้ำเจอเขียดเพื่อจะให้เลิกทำความชัวนะ่วน่ะฟาโรห์มันก็ปัดปั ด, ดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยสมรักมากมาก่อนฮุสนา ม, มาก่อนประมาณยี่สิบกว่าปีเนะ่เสร็จแล้วผลสุดท้ายให้จมน้ำตายฉะนั้นใครที่จมน้ำตายเนี่ยต่อหน้านาบีเนี่ยคนนั้นถูกอัลลอฮ์เกลียดมากที่สุดแต่ในยุคเรานี่นะ อัลลอฮ์บอกว่านาบีมูฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาดับแบบนั้นจะไม่มาสองนบีมูฮัมมัดตายไปแล้วแต่ยังมีคนที่เดินต่อว่าทีมักกะอยู่เนี่ยอาดับจะไม่ถูกเล่นงานแบบฟาโร่เนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์นะหรือพูดง่ายๆอย่างกับเราจะเล่นงานจะลงโทษลูกเรายกตัวอย่างนะลูกมันดือ้อเหลนะือเกินอะ โคจะตะสักสองสามทีเนียระหว่างที่แขกอยู่เตะไหมอ่าไปไปก่อนเดี๋ยวจะแขกกัรเงินถูกแน่แน่เหมือนกันตอนนบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่เอาเราว่าว่าปล่อยหือไปก่อนไม่เล่นงานให้เกียรติแขกใช่ไหมให้เกียรตินบีมุฮัมมัดนี่ก็เหมือนกันคนที่เดินต่อว่าอยู่ที่นครมักกะถ้าไม่มีใครต่อว่าเมื่อไรวันเล่นงานลือทันทีตอนนี้ปล่อยไปก่อนให้เกียรติ ฉะนั้นมักกะกะบะพยุงโลกใบนี้ไม่ให้พินาศแล้วก็พยุงตัวเราไม่ให้ถูกเล่นงานแบบแรงๆนะขอบคุณอัลลอฮ์ฉะนั้นใครที่มีสุนัขนบีอยู่อยู่ที่บ้านอัลลอฮ์เล่นงานเหมือนกันแต่เล่นงานนิดๆหน่อยๆเพราะว่าสุ น, นัขเนี่ยมันคุ้มครองอยู่มีคุรานอ่านคุรานสม่ําเสมออัลลอฮ์คุ้มครองมีกะบะอัลลอฮ์แล้วก็มีนามาดสามสีรายการเนี่ยพยุงโลกไม่ให้วิกฤตมากกว่านี้ ทำเป็นแล้วขอบคุณอัลลอฮสุภาพาตาลอาต่อมาครับอายาที่แปดสิบแปดว่าอัม ม, มันอามานวะว่ามิละ ص ลิ ح ة รุ่นก่อนนายพูดนะและส่วนผู้ที่ศรัทธาส่งคนไปสอนแล้วสอนศาสนาแล้วดะว่าแล้วใครที่เชื่ออามานะ วาอั้มามันอ้ามันะส่วนผู้ใดที่ศรัทธาหลังจากส่งคนไปสอนยังไม่พออีกอิมานอย่างเดียวพอไหมไม่พอข้อที่สองอะไรวาอามีลซาอรีหันต้องต้องอะไรนะทําความดีทําความดีพี่น้องก็รู้ทําไมอรรถเน้นเยอะเกินน่ะอัมมันที่สอแล้วนำมาจะขาต อ่านุรานสม่ำเสมอดิครุลลอฮ์สม่ำเสมอทำดีกับพ่อแม่ติดต่อกับญาติพี่น้องเนี่ยเป็นอัลมันติซอลแล้วทั้งหมดอิมานอย่างเดียวไม่พอต้องอัลมันติซอลแล้วควบคู่กันแล้วต่อมาครับฟาลาหูสําหรับพวกเขานั้นยะซาอุลฮุสนายะซาแปลว่าการตอบแทนยะซาแปลว่าการตอบแทน ฮุสนาแปลว่าที่ดีที่สุดแต่ท่านคนที่ทำความดีเนี่ยไม่ต้องห่วงอัลลอ์สัญญาไว้นะเขาจะต้องได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ที่ดีที่สุดฮุสนาท่านใครไม่รู้สาวเชื่อฮุสนาได้ไหมได้ฮุสนานะครับแล้วก็ต่อมาเป็นไงครับ วาสนากูลูลาหูมินอัมรินายุสรอและในเวลานี้สานากูลูเราก็จะพูดกับเขาอ๋อสานากูลูเราจะพูดกับเขาคนที่มีอีมานคนที่มีอามันที่ซอนแรกเนี่ยอัลล์ว่าเราจะพูดกับเขาหรือว่ารุลกฎอนในจะพูดกับเขา ในกิจการของเขาอย่างง่ายๆ่ายโดยปราณีอัลลอฮฺไปเนาะอัลลอฮฺให้กิจการของเขาเนี่ยดีหมดเลยถ้ามีอีมานมีอามัณฑิสรและกิจการของเขาเนี่ยเราจะอะไรนะให้ความสะดวกสบายให้แกเขาแบบง่ายดายทาความดีแบบง่ายดายภาษาอุษุดวงอธิบายดีนะเขาบอกว่า ฟะลาหูยะซาอุลฮุสนาเนี่ยถ้าหากในโลกอาคิรอในโลกอาคิรอเนี่ยยานีอาคิรอแม้อุสเกียี้เอชีนเอช่ะในอนาคิรอมีแต่เรื่องส บ, ส, บสบายสบายสบายสบายสบายสบายอย่างเดียวเรื่องลําบากไม่มีคนจะเข้าไปอยู่ในสวนสวนสวรรค์แล้วเนี่ยไม่ต้องพายางมองไม่ต้องพายานัดไม่เป็นวัดแล้วไม่ไอแล้ว ไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทามดุลิลละอัลลอ์นี่ถ้าเห็นภาพอาคิริอนี่นะดีมากมากเลยออาสรุปสรุปง่ายๆก็คือว่าคุรอ่านที่เราเรียนมาวันนี้เนี่ยพี่น้องครับองการจะบอกว่าการเผยแพ่าศาสนาเป็นงานที่ ดีและเป็นงานที่มีมีอะไรนะมีบรารกะมีความจำเริญเยอะมากฉะนั้นซุลกอไนเนี่ยถึงจะเข้าไปพิชิตเมืองทั้งหลายในโลกนี้นะครับอันนี้เรื่องผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะแต่ว่าเขาเป็นอะไรนะกะรรษัตริย์ที่ดีคนหนึ่งแล้วก็เลือกใช้วิธีการดะวะาศาสนาอ๋อท่านการเผยแพร่าศาสนานี่เป็นเรื่องดี ถ้าเราอยู่กับครอบครัวของเราแล้วก็ต้องพูดตังาศาสนาเยอะๆขอเน้นนะลูกเราเนี่ยอยากจะให้เน้นกี่เรื่องสองเรื่องพอการศึกษาแน่นอนเราส่งอยู่แล้วแต่จะต้องให้ลูกหนึ่งเข้าใจาศาสนาสองมีมารยาทที่ดีมีมารยาท ด, าาดีอธิบายยังไงเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์ที่มัสยิดรีบมาสู่เราสิอ๋อเนี่ถ้าเด็ก นักเรียนศาสนาประถมเรากลับไปบ้านนะแต่ยินเสียงอาจารย์เราเราไปสุเราห์เนี่ยชาวบ้านจะมองกันทางทางตำบล น, นี่แหละคนนี้มันลูกใครเนี่ยมาสุเราห์เนี่ยอายุแค่สิบห้ากว่าเองในขณะที่คนทั้งหมดเนี่ยไปเข้ามัสยิดรอคนให้จะตกอกตกใจกจะดีจะขอพอได้นี่ไงอั ค, าค ร, อาอบบรากี่ดีใครอัลลอฮฺประกาศให้กับครอบครัวนี้ให้กับครอบใครกับพ่อของเา้าแล้วก็แม่ของเขา โอ้ยฮ oh, ัมดยลิแล้วมีคำถามไหมพีเ่เฉลิมลม <c oughs> ่มุดอืมเอาอืมเล่า สังคมมุสลิมจะดีได้มีสามอย่างนัหนึ่งเรียนศาสนาลูกๆทุกคนเรียนสามมันนศาสนาต้งเรียนด้วยข้อที่สองมีรีสกีที่พอเปยนข้อที่สอย่าแตกแยกกันอุมานะเบียร์มุฮัมมัดเนี่ยนะปุถมุสลิมเนี่ยถ้ามีสามรายการนี้อินชาอัลลอฮ์สังคมเราจะอยู่ได้